บทภาชณีติกรารปาจิตตี472อุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันยืนแอบฟังต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจยืนแอบฟังต้องอบัตปาจิตตีอุปสมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันย um ืนแอบฟังต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุยืนแอบฟังอนุปสัมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบัน ภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสมบันต้องอบัตทุ ก, กฎอนุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุ ก, กฎอนุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัตทุกก